ครึ่งพรรษาแล้วเนอะเร็วนะดูเหมือนว่าเข้าพรรษาเพิ่งไม่กี่วันมานี้เองนะเวลามันผ่านไปเร็วผ่านไปแล้วนะได้อะไรมาบ้างนะไอ้ที่ว่าได้นี่ไม่ใช่หมายถึงเงินทองทรัพย์สมบัตินะแต่หมายถึงธรรมะหมายถึงความเจริญงอกงามในจิตใจของเจ้าของไม้เรื่องทรัพย์สมบัตินะ มันเป็นของนอกกายจำเป็นอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งพาอาศัยนะของคนเราอย่างแท้จริงวันแต่ละวันที่ผ่านไปนะเราได้ทำความดีนะบุญกุศลเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็ได้สร้างธรรมะนะให้เกิดขึ้นในจิตใจ อันนี้เป็นซับที่ประเสริฐ น, นะเรียกอริยซับนะหัวเผือกหัวมันนะผ่านไปเดือนครึ่งนะมันก็โตแล้วละ่ะถ้าเป็นต้นไม้นะต้นกล้าที่ปลูกลงดินนะตั้งแต่เมื่อวันเข้าพรรษานี่ตอนนี้มันก็ยังรากลึกแล้วก็โตสองสามเดือนนี่มันก็สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้แล้ว แต่คนเรานี่เวลาเดือนครึ่งอาจจะไม่ถึงกับพึ่งพาตัวเองได้นะแต่ว่าให้มันมีความฉลาดมากขึ้นความฉลาดในเรื่องชีวิตในเรื่องจิตใจรู้จักแก้ทุกข์ที่มันเกิดกับตัวเองได้ไม่ใช่แค่ทุกทางกายนะที่สำคัญคือทุกทางใจจิตใจเข้มแข็งอดทนแล้วก็ พร้อมที่จะทำความดีที่มันทำได้ยากขึ้นยากขึ้นนะนี่เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีอย่างเช่นการให้ทานเนี่ยนะทีแรกก็ให้ด้วยสิ่งของรู้จักสละทรัพย์เงินทองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือเพื่อเป็นรียบกับส่วนรวมต่อไปก็สละอย่างอื่นด้วยนะสละน้ำพักน้ำแรงนะ ช่วยเหลือผู้อื่นนะนะภาพบทที่สามนี่ท่านตั้งใจจะสละแม้กระทั่งอวัยว ะ, วะนะอย่างพระเวสสันดรนี่เมื่อโตขึ้นรู้ความเนี่ยก็ตั้งใจว่าเนี่ยพร้อมจะสละแม้กระทั่งดวงตาและต่อมาก็พร้อมที่จะสละแม้กระทั่งอวัยวะอย่างอื่นรวมทั้งชีวิต อันนี้เลยว่าเป็นการบําเพ็ญปรมัทบารมีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะและบารมีที่บําเพ็ญนะมันก็ช่วยทำให้ความเห็นตัวลดน้อยถอยลงทำให้จิตใจพร้อมที่จะรองรับนะการตัดสรุ้อย่างที่พระองค์ก็นะได้ทำสำเร็จนะเมื่อ ได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอยู่ในวังที่สุขสบายนะแต่ก็ไม่พอใจเท่านั้นทำสิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือการออกบวชนะถ้าพระองค์เนี่ยจะคิดว่าโอเราเป็นพระโอรสหรือว่าต่อไปจะได้เป็นกษัตริย์ล้วก็สละเงินทองสละทรัพย์สมบัติเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน อุปถัมภ์สมบนาชีพรามแค่นี้พอใจแล้วนะนะแต่ไม่ใช่วิสัยของพระองค์นะพระองค์คิดว่าทำได้มากกว่านั้นก็คือการออกบวชนะทิ้งปราสาททิ้งทรัพสมบัติแม้กระทั่งต้องพร้อมจะลาจากนะคนรักครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกนะนางยโสธราราหุลเนนะี่ยเพื่อทำสิ่งที่ยากนะมนุษย์เราเนี่ยต้องพัฒนาตนเองด้วยการทำความดีที่มันยากขึ้นไปเรื่อยๆยากไปเรื่อยๆเพราะความดีมีหลายระดับความดีที่ทำได้ง่ายก็มีบางอย่างรู้สึกทำยากแต่ทำไปนานๆมันก็กลายเป็นเรื่องง่าย อย่างเช่นการสลาทรัพย์เนี่ยใหม่ๆก็สละยยากแต่พอทําไป น, น, นานๆก็เป็นเรื่องง่ายก็ต้องสลาอย่างอื่นด้วยการรักษาศีงเหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยศีนห้าอรักษายากเหลือเกินแต่ว่าทําไปทุกวันทุกวันทําไปบ่อยๆก็กลายเป็นเรื่องง่ายต่อไปก็ขยบนะเลื่อนขั้นมาถือศีลแปดนะถือศีนแปก็ยังยากอยู่อดเขเย็นนะหรือว่าการ ลาทิ้งสิ่งบันเทิงเรืองรมใหม่ๆก็ต้องทำแค่อาทิตย์ละครั้งวันพระวันศีลแต่ต่อไปก็ทำทุกวันพอทำไปทุกวันกลายเป็นเรื่องง่ายเข า, านี้ก็ถือศีลสองรยยสิบเจ็ดเลยคือออกบวชอย่างพวกเราเนี่ยแหละนะใหม่ๆที่มาจำพรรษานะโดยเฉพาะพระใหม่ก็โอมันยากนะต้องตื่นแต่เช้าตีสามนะแล้วต้องทำความเพียร ความไปอยู่ก็ไม่สะดวกสบายเหมือนที่บ้านแต่ว่าพอมาอยู่ได้เดือนครึ่งอะมันกลายเป็นเรื่องง่ายไปแล้วอันนี้ก็ต้องทำสิ่งที่ยากขึ้นกว่าเดิมน ะ, ะเช่นเก็บอารมณ์บ้างหรือไม่ก็ลองทำอย่างที่เราจะทำกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะจะมีการทำความเพียร น, นะปฏิบัติทำข้ามคืนไปจนถึงทาวัดเช้าวันที่ยี่สิบสามเลยนะเพื่อเป็นการ ปฏิบัติบูบชาเป็นอาเจริบูชานะที่ทำถวายหลวงพ่อคำเขียนนะเพราะยสิบสามสิงหาเนี่เป็นวันที่คล้ายวันมรณะภาพของท่านเรากนะ็ใช้โอกาสนี้แหละนะทำความเพียรเพื่อเป็นปฏิบัติบูบชาบางคนเนี่ยพอพูดว่า๊ยปฏิบัติข้ามคืนเนี่ยใจมันก็ท้อล้ว ยอมแพ้แล้วไม่เคยทำแล้วจะทำได้ยังไงนะแค่คิดแบบนี้นี่ก็เรียกว่าไม่เข้าท่าแล้วนะเพราะว่ายังไม่ได้ลองเลยควรจะลองสักหน่อยนะโดยเฉพาะถ้าได้ทำนะกับหมูมิตรเนี่ยมันจะเกิดกำลังใครที่ได้ทำความเพียรมาพอสมควรแล้วตลอดพรรษาครึ่งครึ่งพรรษาที่ผ่านมาลองมาทาสิ่งที่ยากนะ ไม่ได้ทำนะในโอกาสหรือวันธรรมดานะแต่ทำในโอกาสพิเศษนะมันก็น่าจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นนะยิ่งคนที่นับถือหลวงพ่อคำเขียนเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมีศรัทธาในตัวท่านเนี่ยก็อาศัยศรัทธานี่แหละนะเป็นเครื่องกระตุน้นนะเป็นเครื่องเร่งเร้านะให้เกิดขันให้เกิดขันติแล้วก็วิริยะ ความอดทนและความเพียรบางทีคนเราเนี่ยถ้าจะทําในวันที่ธรรมดาธรรมดามันก็อาจาจะไม่มีความกระตือหรือรลนหรือความอดทนเท่าไหร่นันแต่พอระลึกว่าเออเรามาทําเพื่อถวายครูบาอาจารย์เป็นปฏิบัติบูชานะไอศรัทธาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เราเนี่ยมีกําลังนะคนเราเนี่ยถ้าศรัทธาอะไรก็ตามเนี่ย มันจะทำได้ดีกว่านะรวมถึงคุณธรรมข้ออื่นด้วยเช่นเมตตานะบางคนเนี่ยป่วยหนักนะแต่ว่าเมื่อนึกถึงลูกนะว่าเออเราป่วยเพื่อลูกนะเรายอมอดทนเพื่อนะให้ลูกเขาได้อนะ่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณของเราหรือว่าอยู่เพื่อ จะได้อดทนกับความเจ็บป่วยจะได้หายหายป่วยแล้วก็จะได้ไปไปอยู่ด้วยกันกับลูกเนี่ยบางทีมันนึกถึงลูกนึกถึงคนรัก ถ, ถึงพ่อแม่ก็ทําให้อดทนนะกับความเจ็บป่วยมีคนไข้คนนึงเนี่ยนะตายเพราะอุบัติเหตุโคม่าเป็นตายเท่ากันแต่ตอนหลังเนี่ยก็ รู้สึกตัวดีขึ้นจะเล่าว่าตอนที่ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมักจะบางครั้งบางครับก็จะมีเหมือนกับมีคนมาสัมผัสตัวทำให้มีกําลังในที่ท้อแท้ก็เกิดมีนะความรู้นื้รู้ตัวขึ้นมาทำให้อดทนกับความเจ็บป่วยได้พอมารู้ตัวรู้สึกตัวขึ้นมาก็ พบว่าอออเป็นเพราะมีเพียาบาลคนหนึ่งเวลาทุกเช้าก็มาเยี่ยมคนป่วยคนไหนที่พูดคุยได้แกก็พูดให้กำลังใจใครที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแกก็สัมผัสตัวแล้วก็แผ่เมตตาไปให้พลังแห่งเมตตาเนี่ยที่ช่วยดึงจิตดึงใจของคนไข้คนนี้เนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะตายให้ได้พอไ ด, ได้รับพลังบางอย่าง น, นี่ก็กลับมีความผ่อนคลาย ก็เลยรั่วออกเป็นพ่อพยาบาลคนที่ช่วยเรานะแต่ถึงแม้จะรู้สึกตัวก็อาการก็ยังยังเสี่ยงอยู่มีคืนหนึ่งเนี่ยเหนื่อยมากนะหายใจลําบากจะตายให้ได้ตอนนั้นสื่อว่าตายนี่ง่ายกว่าอยู่แต่พอนึกถึงพยาบาลคนนี้ขึ้นมานึกมาว่าเนี่ยถ้าพยาบาลเขามาเยี่ยมตอนเช้าแล้วเพราะว่าเราตายเพยาบาลเขาคงจะรู้สึกผิดนะ ว่าเขาทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่านะคนไข้ถึงตายแกก็เลยพยายามที่จะอยู่จนถึงเช้าทั้งที่ตอนนั้นตายนี่มัง่ายก็อยู่นะแต่พยายามอยู่ถึงเช้าเพื่อจะบอกพยาบาลว่าถ้าผมตายคุณนะอย่าไปเสียใจนะเพราะว่าผมไม่ไหวจริงๆมันไม่ใช่ความผิดของคุณเขก็ทนได้ถึงเช้านะพอเช้าอาการก็ดีขึ้นพยาบาลมาเขาก็ลืมบอกลืมล่ลาลาตกกลางคืนเป็นใหม่ นะก็นึกถึงพยาบาลคนนี้แล้วว่าโอ้ถ้าเขามาเจอว่าเราตายนี่เขาจะคงเสียใจนะว่าเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าวั น, นต้องอยู่จนถึงเชา้าเพื่อจะบอกเขาว่าผมไม่ไหวจริงๆนะมันไม่ใช่ความผิดของคุณก็อยู่จนถึงเช้านะพอพอเชา้าร่างกายดีขึ้นก็ลืมบอกลืมร่ำลาพยาบาลไปอยู่อ่าสองสาครั้งนะจนกระทั่งกลับมาเป็นปกติ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าคนเราเนี่ยบางทีนึกถึงคนอื่นเนี่ยมันทำให้มีกําลังวังชาทำให้มีความอดทนอันนี้เป็นพ่อะมีเมตากับเพียบาลแต่ว่าศรัทธาก็ช่วยได้เหมือนกันนะเช่นเรามีศรัทธาในหลวงพ่อหลวงพ่อท่านสอนเราท่านเพรียดุทิตตนเพื่อสอนให้เรามีความเข้าใจธรรมะมีสติมีความรู้สึกตัว ถึงวันที่ท่านจากไปเราก็ยังระลึกถึงท่านนะพอมาโอกาสที่ครบรอบนะการบรราภาพาของท่านเราก็จะทำความเพียรก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะแต่ว่าตั้งใจทำเพื่อถวายท่านนะนะไอแบบนี้มันก็ทำให้นะเกิดวิริยะเกิดความเพียรขึ้นมาได้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพรุ่งนี้เนี่ยนะก็เชิญชวนนะใคร ที่มีเวลาหรือว่าอยากจะถวายปฏิบัติบูชาให้กับหลวงพ่อแม่จะไม่เคยหรือแม่จะไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็อยากจะเชิญชวนให้ลองดูนะถ้าทำเต็มที่แล้วเออสังขารร่างกายไม่ไหวก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายมันไหวนะอยู่ที่ใจว่าจะสู้หรือไม่สู้นะ นะพวกนี้เราก็จะเริ่มนะปฏิบัติทำข้ามคืนตั้งแต่สองทุ่มนะ้าใครที่ไม่เคยนะก็อยากจะเชิญชวนให้มาลองดูนะแล้วก็จะมีการแสดงธรรมทุกต้นชั่วโมงนะไปจนถึงทำวัดเช้าเลยนะเสร็จแล้วตอนเช้าหลังจากฉันเสร็จก็จะไปอาจจะเดินกันเป็นแถวนะเพื่อไปสักการะหลวงพ่อ ก็จะมีดอกไม้นะอาจจะมีทูบเทียนไปนะสักการะท่านอันนี้เรียกว่าเป็นอมิสบูชาแต่ก่อนที่จะทําอมิสบูชาเราทําปฏบิบัติบูชาก่อนนะโดยการใช้ร่างกายของเราโดยการใช้จิตใจของเรานี่แหละเป็นเสมือนภาชนะนะลองรับดอกไม้ดอกไม้นี่คือคุณธรรมที่เราจะาจะทําถวายท่าน ใครที่ว่างนะก็เชิญชวนได้เลยอ่แล้วก็จากนี้ไปก็เตรียมรับพรทิชิตตั้งปฏิตังตุมพังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วยิบามวาสเมชาตุจงสำเร็จโดยฉับพราสาเพปูเรนตุสังกับปาราอความดำริทั้งบวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเมือนพระอาจารย์ น, นวานเพล มานิโชตีระโสยะธาเอื่อแกมนิอันสว่างสวัยขวรยินดีสาพิทิวิวาชนตุวานจารไรทั้งปวงจองบัมราดไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพาวดันตรายโยอันตารายยมีแก่ท่านสุคิธิขายุโกภวา นั่นจงเป็นผู้มีความสูมีอายุยืนอาภิวัตนาสีลิสนนจังุณตาปจายินโนยะตาโรธรรมาวาันดีอายุวันโนสุขขังภละสามสี่ปาจจัยคืออายุวันนาสุขาพาลย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไววกรามีปกติอ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวัตุสัพมังคารัง อสาพพะมงคลจงมีแก่ท่านราคะตุสาพาเทวตาอราเทวดาทาั้งห่วงจงรักษาท่านสาพพัพพภูตานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้สาสัพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังขานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสอง ตถาสมทิพาวันตุเตขอความสดีทั้งหลายย่อมมีแก่ท่านทูมือเถร